เพราะว่ากิเลสไฟต่ำเนี่ยโดยมากมันจะกถูลงไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีไม่ให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจล่ะเพราะนั้นพวกเราให้ขยื้อเอาไว้มีสัจจะเอาไว้ในจุดนี้นะแต่ว่าพวกเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเรานึกขึ้นมาเมื่อไร เราจะภาคภูมิใจนะเราจะภาคภูมิใจในตัวของเราว่าเราได้เอาชนะกิเลสมาเป็นระยะๆเลยะนะบางคนก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะเอ่การปฏิบัติธรรมของผมเนะี่ยของดิฉันเนะี่ยมันก้าวหน้าอย่างไรดูๆแล้วมันไม่เหมือนก้าวหน้ามันเป็นมันก้าวหน้าอย่างไรตัวเองก็ยังประเมินตัวเองไม่ชัดเจนนะ หลวงพ่อก็บอกว่าให้พวกเรานึกย้อนดูลังหลังดูสิเป็นหลายปีหลายเดือนหลายปีให้หลังนู่นจิตใจเราเป็นยังไงในช่วงนั้นแต่มาถึงช่วงนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตใจช่วงนั้นกับช่วงนี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรมันมุกมุนไปทางกิเลสโลภโกรธหลงหรือว่าเรารู้สึกมีจิตใจ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 ถามตัวเองนั่นแหละก้าวหน้านะในเมื่อมันก้าวหน้าอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆในเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็มองหลังอีกกว่าในช่วงปีนั้นนะที่เราทบทวนนู่นแล้วมาถึงจุดนีนะ้มันเป็นยังไงใจของเรานะถ้ามันก้าวหน้าแสดงว่าเราก็มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขขึ้นเรื่อยๆรู้จักสินรู้จักทำรู้จักการปล่อยวางรู้จัก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 ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อันนี้แหะปัญญาแต่ว่าก่อนที่จะมีปัญญาที่แท้จริงคนที่สับสนวุ่นวายายแสปุงฟุ้งซ่านโดยมากจะไม่เกิดปัญญาได้ง่ายมีแต่เกิดอารมณ์โลโลภโกรธหลงท่านเพราะานั้นท่านจึงทำจิตใจให้เป็นสมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิเดี๋ยนะเราทำยังไง ต้องกำหนดลมต้องภาวนาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยนะหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อวไปยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นของเราเนาะพี่น้องลูกหลานพระเนน เ, เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้หลวงพ่อเองเออติดเป็นพระอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อทําไหมจะว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ท่านเป็นปรมาจารย์สอนลูกศิษย์ของท่านก็คือหลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันหลวงปู่เ้าหลวงปู่พรมหลวงปู่ต่างๆตลอดนึงหลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฉิมหลวงปู่พศที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนหลวงพ่อลีหลวงปู่กงมามากมาย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 อย่างลุงพ่อเนี่ยก็คือพ่อของลุงพ่อก็คือหลวงปู่ล่าหลวงตาเนี่ยแล้วก็หลวงปู่จามหลวงปู่ล่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหมดแต่เนี่มาถึงพวกเราเป็นหลานเลยท่นี้ยนี่แหละพวกหลานนี่แหละลุงพ่อเป็นห่วงพวกหลานทั้งหลายที่มาจากเครือข่ายต่างๆติเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศลูกปิดหลวงปู่ฝันลูกศิษย์หลวงปูข่ขาวลูกศิษย์หลวงปูแ่แหวนพงพ่อลีที่เป็นหลาน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 ใช้ อ, อ, อะไรต่อไม่อะไรมากมายทุกวันนี้ เ, เป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าหลานของหลวงปู่มั่นไม่มีจุดยืนกระซับกระสายไม่ได้ไปไปตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนาสั่งสอนออแต่ไม่จะชื่อว่าเป็นสายหลวงปู่มั่นเท่านั้นแต่การประพฤติปฏิบัติหรือแนวความคิดนั้น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 อยากจะมีลาบมีรถมียศเหรอออย่างที่พระลูกศิษย์ของพระโมคคลาเข้าไปถามจะทํำยังไงจึงจะให้มีลาบมียศนะพระโมคคราก็สอนอยากจะให้มีลาบมีรถจะไปยากอะไรทําพิเนพเลนเพลนสิ่งที่เขาไม่ทําตัวเองทําอสิ่งไหนที่เขาไม่พูดตัวเองพูดออะเทําแวกแนวแวกแนวไปเดี๋ยวก็ดังจะดังแบบนั้นเราจะเอาเหรอดังแบบ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 พระพุทธเจ้าตั้งพระโมคขาราตั้งภาษาลีบุตรเป็นอคราสาวกขวาพระโมคคาราตั้งเป็นอ克拉สาวกซ้ายตั้งพระอา น, นุ์เป็นพุทธอุปถาก ค, คนสมัยนั้นเขาถ้าทุกวนันนี้ถ้าเขียนหนังสือได้เขาก็คงจะมีบัตรสนเทศเหมือนกันนะบัตรสนเทศถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปตั้งพระโมคคลาตั้งภาษาลิบุตร เป็นอ克拉สาวกสายขวาทําไมจังไม่ตั้งัญญากนธัญะผู้บวชก่อนคนทัญะว ป, ปะพัทธยะมหานามาตยชินั่นะนะทําไมไม่ตั้งท่านเหล่านั้นเป็นอครสาวกทําไมจะมาหาตั้งพระโมคคัลลาสารีบุตรเพิ่งบวชทีหลังเขาแล้วเพอเพยังตั้งพระอานุ์เป็นพุทธอุปทาอีกตั้งน้องชายตัวเองอีกรูปของน้องชายพ่อเป็นพุทธอุปทาอีกแสดงว่าเห็นแก่หน้า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 ลือศีอยู่ในป่าดวงพงไปมาชวนลือศีเอ้เป็นสาวกข้างซ้ายกับเราอ่ะเพื่อนกันพระโมคคลานี่ก็เป็นเศรษฐีอ้าวจัดมนดบขึ้นมาแล้วก็จัดปลัมขึ้นมามนต์นีมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาทำบุญน้ำพระนี่เจ็ดวันเลียเ้ยงพระสงฆ์เป็นหลายหมื่นหลายแสนองค์แล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง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 มีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลก็มีมาก่อมากอีกเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรก็ต้องทำไม่ว่าบุญวาสนาบารมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปแข่งกันแข่งเรือแข่งพายแข่งความหมันความขยันแข่งอะไรนะแข่งได้แต่อย่าไปแข่งบารมีนะบุญบารมีมันมองไม่เห็นเขาทาในอดี ต, ตชาติ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 มาเข้ามาอีกเทวบุตรองค์นั้นอบุญหนักสักน้อยถอยออกไปพุมบุญบารมีเข้ามาอีกมาใกล้อีกคนอื่งถอยออกไปพราะในสุดนุ่นจนจะรับสายตาน้่ยนะ เ, เทวบุตรที่มาใกล้ๆเอ้เทวดาเทวบุตรก็ถามทําไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ บ, บอกว่าเทวบุตรที่ขึ้นมาใหม่ที่เลยรักษาศีลในภาวนา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 พยายามประกอบคุณงามความดีอย่างเนืองนิดอย่างเนืองเ น, องเนืองนี่แหละบุญกุศลตัวนี้แหะจะสืบเนื่องจิตใจของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญแต่พวกเราทําอะไรก็เตาะแตาะแตะหลงหลงลืมลืมเพลเพลเล่อๆได้บ้างไม่ได้บ้างผลี่สุดผลก็กปิดกระปล่อยอย่างไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่า น, น้ะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อได้ให้แนวความคิด มากหลากหลายสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพร